ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องสงัดกายสงบใจโดยสมณะซาบซึ้งสุริเตโชได้สแสดงธรรมไว้เมื่อวันที่18พฤษภาคม2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นะบัดนี้ เดี๋ยววันนี้เราลองฟังพระสูตรพระสูตรหนึ่งนะคิดว่าคงคงเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเล่มที่21็ข้อที่138ปนะุคลวักก็คือบุคคลวักนั่นเองเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับบุคคลสจํจำพวกที่มีปรากฏอยู่ในโลก นั้นหนึ่งพเจ้าท่านตรัสถึงบุคคลประเภทแรกก็คือมีกายออกไปแล้วแต่จิตยังไม่ออกนล้นท่านก็บอกว่าก็คือผู้ที่เสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและราวป่านั้นแต่เขาตรึกถึงกรรมบิตกบ้างพยาบาทบ้างหรือว่าเบียดเบียนบ้างนันคือปรากฏว่าอันเนี้ยถ้าเราฟังโดย ทั่วๆไปง่ายๆเข้าๆนะคาว่ากายออกแล้วก็หมายถึงว่าผู้ที่เหมือนกับเว้นออกจากกามแล้วคือผู้ที่บําเพ็ญเนคขมมะนะกายออกแล้วแต่จิตยังไม่ออกก็คือว่าอุตสาเนี่ยเหมือนกับยกตัวอย่างง่ายๆบางคนทิ้งบ้านช่องเรือนชานมาบวชเป็นพระแล้วก็ตามแต่ปรากฏว่า กายเนี่ยออกแล้วแต่จิตยังไม่ออกก็คือจิตเนี่ยก็ยังเหมือนกับคนมาอยู่วัดเหมือนกับคนบางทีไปอยู่ที่สงัดสงบแต่จิตยังฟุ้งซ่านจิตยังคิดไอ้นู่นไอ้นี่คิดเรื่องกามคิดเรื่องพยาบาทคิดเรื่องเบียดเบียนบางทียังคิดเรื่องอะไรอ่ะคนโน้นคน น, น, ค น, นี้อะไรสารพัดที่จะคิดอย่างเงี้ยเราเรียกว่ากายออกแล้วแต่จิตยังไม่ออก ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไม่ไม่ใช่แค่สมมุตินะอันนีถ้ถ้าภาษาโลกโลกเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับสมมุติทางกายเนี่ยออกแล้วแต่ทางปรมัติคือทางจิตยังไม่ยังไม่ได้ถ้ายกตัวอย่างจากฆราวาสอย่างบางคนเนี่ยอุตสามาถือศีลอุโบสถหรือบางทีมาพักอยู่ที่วัด เพื่อที่จะบําเพ็ญเพียรแต่ในขณะที่มาพักอยู่เนี่ยเอาเข้าจริงๆบางทีหลายคนเลยแหะมาอยู่วัดอาตมาเห็นบางวันน่ยโดยเฉพาะวันอาทิตย์ซึ่งซึ่งมีคนจะมาฟังเทศฟังธรรมแต่เช้าบางครั้งแต่เช้าเนี่ยเอ้ามาใส่บาตรเสร็จต่เข้ามาในวัดแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมจบแล้วเอ้าก็ร่วมรับประทานอาหาร คราวนี้ก็ โ, โหเห็นบางทีนั่งโจกันแล้วเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มบางครั้งเดินผ่านไปเนี่ยออฟังถ้าเขาคุยเรื่องธรรมะคุยเรื่องการถือศีลปฏิบัติธรรมก็ไม่มีปัญหาแต่บางทีผ่านไปโอ้โหคุยเรื่องการเมืองกรขโมงโฉงเฉงเลยนะคุยเรื่องอะไรไอ้ที่มันเขาเรียกว่าแบบโลกโลกอะ่ะคือคุยในลักษณะที่ถ้าคุยเรื่องพวกเนี้ย ยิ่งคุยก็ยิ่งฟุง้งยิ่งคุยก็ยิ่งยิ่งทําให้มันมันเมาหรือว่ามันติดอยู่ในโลกโลกีเนี่ยมากขึ้นมันมันไม่ใช่คุยเพื่อเขาเรียกว่ากถาวัตถุที่จะคุยและทําให้จิตเราเนี่ยมันมันบางลงมันจางคลายลงจากสิ่งที่เราคุยนั้นๆคือมันไม่เกิดความเบื่อหน่ายไม่เกิดความคลายกําหนัดอย่างเงี้ยเพราะฉั้นอย่างเงี้ย ถ้าเป็นลักษณะ น, นี้คือคนที่กายเนี่ยอุตสาหออกมาแล้วแต่จิตหรือว่าใจยังไม่ออกจะเป็นคารวา่าจะตามหรือจะเป็นนักบวชก็ตามยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นถึงขั้นนักบวชเนี่ยแสดงว่าจริงๆน่าจะตั้งจิตตั้งใจมาแล้วแต่พอปรากฏว่าบวชแล้วใหม่ๆบางทีนะเป็นสภ้ายใหม่บ้างหรือว่ายังแปลกใหม่บ้างแหมเข้มแข็งเอาจริงเอาจัง แต่พอปฏิบัติไปได้สักหน่อย ป, ปฏิบัติไปได้สักหน่อยเขาเรียกว่าชักชักอะไรชักคุ้นที่แล้วหรือสำนวน ว, นว่าชักแก่วัดชักแก่วัดขึ้นมาคราวนี้เอาแล้วนะไอ้หนุ่มก็รู้ทางนี้ที่ไล่ไอ้นั่นก็รู้แล้วว่าจะมีที่มาที่ไปยังไงคราวนี้ชักจะอะไรทําตามสบายแล้วทําตามใจเราแล้ ว, ลวชักจะไม่ค่อย เคร่งครัดในศีลในวินัยที่ตัวเองมีคือจะเริ่มหย่อนเป็นเป็นไปเองเลยวันใหม่ๆเนี่ยไปสังเกตดูเถอะเหมือนบางทีคนเนี่ยเข้าไปทำงานใหม่ๆบริษัทไหนโอ้โหระมัดระวังดีนะทำก็อะไรอะ่ะผมยังใหม่นะครับถ้าสมมุติว่ายังไงช่วยติติงเตือนบอกกล่าวช่วยแนะนำให้ด้วยแต่พอทำไปไปเริ่มชักลุ้แล้วคราวนี้ คำพวกนี้จะค่อยๆหายไป <c oughs> คราวนี้ก็อะไรอ่ ะ, อะหลบได้บางทีหลบแล้วบางทีอู้ได้ก็อู้นะคือคือมันไม่ขวนขวายไม่ขยันหรือว่าไม่อะไรอ่ะเอาจริงเหมือนแรกๆทั้งนั้นแะส่วนใหญ่แม้แต่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมก็ตามมันจะเอาจริงเอาจังส่วนแรกๆ แต่พอเขายิบออกมาหน่อยขยิบออกมาหน่อยเขาเนี้ยชักจะจืดจางๆลงจะไม่เข้มข้นเหมือนเหมือนใหม่ๆจริงๆคนเราเนี่ยถ้าตั้งใจจะทําอะไรอ่ะพลังที่แรงที่สุดที่จะมีก็คือช่วงแรกๆนี่นี่โดยทั่วๆไปนะช่วงแรกๆเพราะว่าโอ้โหเราอยากจะมีอยากจะเป็นให้ได้อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะตั้งใจมะจะตั้งใจมาเพราะฉะตอนแรกๆเนี่ยจะมีฉันทะ มีวิริยะมีจิตตะมีวิบังศาคือมีอิทธิบาทในการที่จะทําสิ่งนั้นนะ่ะสูงแล้วก็มากแต่พอทําไปได้ระยะหนึ่งบอกแล้วเดี๋ยวก็เริ่มชักคุณหรือบางทีก็เริ่มมีอุปสรรคเริ่มมีปัญหาให้ให้เราค่อยๆเห็นเพนั้นพอเริ่มมีอุปสรรคเริ่มมีปัญหาให้เราค่อยๆเห็นเนี่ยมันก็เริ่มยากขึ้นอ่ะมันเริ่มลําบากขึ้นพอเราเจอเรื่องที่ชักยากชักลําบากขึ้นคนเราติดสบาย ติดความที่เรียกว่าแม้ปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละอยากได้ดิบได้ดีเนี่ยแหละแต่แม้มันลําบากเกินไปก็ชักไม่เอาเหมือนกันชักไม่อยากได้แล้วเนี่ยจิตมันจะตกลงมามันชักจะทอ้อชักจะถอยละเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าใครเนี่ยไม่ตั้งจิตให้ดีนะแล้วก็ไม่พยายามประคองทำไปให้ได้เรื่อยๆยากส่วนใหญ่แล้วในที่สุดจะทอ้อแล้วก็จะถอยเพรา ะ, ะนั้นคนที่มีความสําเร็จในชีวิตเนี่ย จึงมีจำนวน น, น้อยส่วนคนที่กลางๆหรือคนที่ล้มเหลวมีเยอะยิ่งคราวนี้ไม่ใช่เรื่องของการทามาค้าขายไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองเรื่องของการปฏิบัติธรรมยิ่งเราจะได้ปรมาตัทสัจจะเนี่ยหรือว่าได้เข้าถึงความจริงได้มีมรรคผลที่เป็นของตัวเราเองเอาสิคราวนี้ยิ่งยากกว่าทางโลกีนะ ทางปรามัดเนี่ยยากกว่าทางโลกีแต่ยากสำหรับคนยากแต่ง่ายสำหรับคนที่ง่ายยิ่งถ้าสมมติใครสะสมบารมีหรือว่าบาเพ็ญมาบ้างแล้วง่ายไม่ยากเลยแต่ น, นี้พอเราไม่ได้สะสมมาบางทีไม่ต้องเอาอะไรเอาแค่เบื้องต้นเอาแค่สี่ห้าบางคนนี่ยังถือยากเลยสีลห้าที่จะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ยากยกเว้นคนที่ไม่รู้เลยนะ ไม่รู้เรื่องของรายละเอียดว่าศีลห้าไปยังไงอาทิศีลของศีลห้าไปยังไงบ้างพวกที่ไม่รู้เลยนี่เขาก็นึกว่าทั่วๆไปอะไม่ค่าศาสตร์ใหม่ลักทรัพย์ใหม่เพื่อปิดนกยกามไม่พูดโกหกไม่อะไรอะไม่กินเหล้าแค่นี้จบโอ้ยถ้าอย่างนี้ยังไออย่างนี้มันยังมันได้แค่เบื้องต้นของศีลห้าเท่านั้นเอง เบื้องกลางแล้วก็เบื้องปลายของศีลห้ายังไม่รู้เลยนะอันนี้ยกไว้สำหรับคนที่เขาเข้าใจตื้นๆหรือว่ายังไม่เข้าใจอะไรที่ลึกซึ้งขึ้นมาในศีลห้าแต่คนที่เริ่มรู้เริ่มเข้าใจพอปฏิบัติอ่าคราวนี้รายละเอียดมันเริ่มมีแล้วในศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าเพราะฉะนั้นมรรคผลที่ได้เอา้าต้องภาคเพียรละต้องอดทน ต้องพยายามบางทีเนี่ยทาแล้วก็แพ้ทาแล้วก็แพ้แต่ก็จะภาคเพียรจะพยายามทำจนกว่าจะได้ดิบได้ดีเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพะฉนั้นคนทีนะ่ประเภทแรกที่พระเจ้าท่านตัดถึงว่าคนที่มีกายออกแล้วเนี่ยแต่จิตยังไม่ออกก็คือลักษณะแบบนี้แหละคือเอาตัวมาแต่หัวใจเนี่ยอ่อนแอหัวใจนี่ยอมแพ้ง่าย นี่คือประเภทที่เอาตัวมานะแต่ใจยังไม่ออกอันนี้พอมาถึงประเภทที่2ทูเจ้าท่านกรตัดว่ากายยังไม่ออกแต่จิตออกแล้วกายยังไม่ออกนะแต่จิตออกแล้วท่านบอกว่าก็คือไม่ได้อยู่เสนาสนะอันสงัดเป็นป่าและราวป่าก็จริงแต่เขาตึกถึงแน่คัมมะวิตกบ้าง ไม่พยาบาทบ้างไม่เบียดเบียนบ้างในที่นั้นๆคือเหมือนกับคนที่ยังไม่ได้ออกบวชนะหรือว่ายังไม่ได้มาอยู่วัดหรอกเขาก็อยู่บ้านช่องเรือนชาญปกตินี่แหละอยู่กับคนในสังคมในโลกโลกีนี่แหละแต่ปรากฏว่าจิตเขาออกอะ่ะคือเขาอยู่บ้านแต่เขามีการฝึกฝนเขามีการภาคเพียรมีการจับ จิตจับอารมณ์ตัวเองนะไม่ให้คิดบปทางสมมติว่าในทางกามเงี้ยเขาก็โอ้เรามัดระวังไม่ให้ไปคิดในเรื่องของกามมราคะเรื่องอะไรเขาพยายามเนคข ม, มะด้วยซ้ําไปในจิตเขาเนี่ยเขาพยายามฝึกฝนพยายามที่จะทําเนคขมมะคือออกจากกามด้วยซ้ําไปนะจะไปโกรธจะไปเกลียดชังใครจะถือสาจะไม่ชอบใจอะไรใครเขามีสติรู้ตัว แล้วเขาก็ระมัดระวังไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นนะแทนที่จะไปโกรธไปเกลียดชังใครเขากับเออพยายามลดพยายามไม่ให้มีไม่ให้เป็นเขากับมีสติอย่างนี้แล้วเขาก็พยายามรักษาประคองจิตประคองใจเอาไว้นะหรือจะไปเบียดเบียนเนี่ยจะไปเอารัดเอาเปียบใครเขาจะไปคดโกงจะไปช่อฉนจะไปทุจริตหรือว่าอะไรต่างๆมีสติรู้ตัวแล้วก็ไม่ทา แม้เป็นคราวาดอยู่หรือว่าแม้เนี่ยทำมาหากินอยู่กับชาวบ้านชาวช่องอยู่ก็ตามแต่จิตเขาออกเนี่ยจิตเว้นออกมาได้แม้กายยังไม่ออกลักษณะเนี้ยเรามักจะใช้พูดกับคนที่บางทียังไม่มาอยู่วัดหรือว่ายังไม่ได้ออกบวชว่าอ้าให้ทำไงให้ยกวัดไปไว้ที่บ้านหรือไม่ก็ อะไรอ่ะบวชเรียกว่าอะไรนะบวชใจกันก่อนนะเราบอกว่าเอาบวชใจก่อนกายยังไม่ต้องบวชก็ได้แต่บวชใจก่อนเพราะฉะนั้นแม้ไม่ได้มาวัดหรือไม่ได้มาฟังทำถึงที่วัดแต่บางคนเขาอยู่บ้านก็จริงนะแต่เขาโอ้โหบางทีศึกษาหาหนังสือธรรมะมาอ่านหรือบางทีฟังวิทยุหรือว่าฟังเทป เขาก็หาธรรมะมาฟังซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเลยตามสถานีตามอะไรต่างๆก็มีนะถ้าของเราพิทยุชุมชนที่นี่ก็ทแลไหร่้อยเจ็ดจุดเก้าะ <c oughs> นะก็จะได้ยินได้ฟังเนี่ยคือเขาเขาขวนขวายเขามีใจใจที่จะเว้นออกใจที่จะเน่ขำมะ ท, ทั้งที่กายยังไม่ออกหรอกนะอาตมาเองเนี่ยเห็นพวกเราหลายๆคน ที่บางทีทํางานทําการอยู่โลกโลกนี่แหละโอ้ไม่ใช่กระจอกด้วยนะบางทีทําก็ฐานะอายกตัวอย่างอย่างคุณจําลองเนี่ยนะักปางกอดว่างไงโอโ้โหคุณจําลองนี่ทํางานการเมืองบ้างบางทีทําไอ้นนทําำไอ้นี่อะไรเยอะงานหลายอย่างเลยแต่แต่ามาเคย ค, ยคุยกับคุณจําลองเนี่ยคุณจําลองเล่าให้ฟังนะบางทีตื่นเช้ามาโอ้บริหารร่างกาย ทำโยคะทำสมาธิอแล้วก็เรื่องธรรมะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเออคุณจำลองนี่มีธรรมะอยู่ที่ใจนะแล้วก็ศึกษาเรียนรู้แม้ว่าคุณจำลองก็จะพูดบ่อยๆว่าโอ้ก็ยังไม่ค่อยเก่งเลยเรื่องของธรรมะแต่เราเรารู้อยู่ว่าคุณจำลองเนี่ยไม่ทิ้งธรรมและนะก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะฝึกฝนโดยเฉพาะ พยายามใช้กับตัวเองเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยเราดูสิโอ้โหก็ยุ่งอยู่กับโรคโลกบางทีเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรก็หนักหนักเรื่องอะไรใหญ่ให่ใหต่อโตหลายๆเรื่องที่เข้ามาหาแต่คุณจำรลองก็พยายามนะอย่างเงี้ยรักษาจิตรักษาใจแล้วก็พยายามที่จะทำจิตทําใจของตัวเองเนี่ยให้ดีโดยมีธรรมะนั่นแหละเป็นเครื่องคุ้มครองใจ เพราะนั้นแม้บางคนอยจะอยู่บ้านหรือยังไม่บวชหรือบางคนเน่อาจจะมีอายุมากแล้วเงี้ยบางครั้งก็จะเดินเหินจะไปไหนมาไหนก็ไม่ง่ายหรอกบางทีก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านแต่สามารถศึกษาหาความรู้ในทางธรรมะได้แล้วก็ถือศีนก็ได้นี่ตั้งตะบะก็ได้นี่ นะหรือว่ามีสิ่งไหนที่จะทาได้ดีในชีวิตนะก็กาหนดขึ้นมาแล้วก็กระทาขึ้นมาก็ได้อย่างเงี้ยกายยังอยู่กับโลกโลกแต่ใจอยู่ด้านโลกุตละนะเพราะว่าปฏิบัติไปมันก็จะมีมากมีผลซึ่งซึ่งเรื่องพวกนี้เราจะเห็นได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ย บางทีในชาติต่างๆที่ท่านเสวยพระชาติเป็นอย่างง่นเป็นอย่างยี่นะไปเป็นอะไรอ่ะไปเป็นกษัตริย์มั่งไปเป็นชาวบ้านมั่งไปเป็นคนโน้นคนนี้บ้างซึ่งก็อยู่กับคนโลกโลกนี่แหละแต่ท่านเองท่านก็บำเพ็ญเห็นไหมหลายชาติที่ไม่ได้ออกบวชนะยังบางชาติยังมีเลยนะเป็นเป็นโจรป่ายังมีเลยบางชาติของอดีตของพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นโจนป่ายัางมีเลยโอ้โหป้นคนเขาอะมีนะอาจจะมาเคยอ่านเจอในชาดกเนี่ยบางชาติเ่ะเป็นโจนป่าไปป้ น, ปนเขาอะแต่ต่อหลังเนี่ยได้เข้าใจได้รู้คือคือคื อ, คอยังไงก็จะมีมีบุญบา ร, รมีมีสัจจะมีความเป็นจริงพวกเนี้ยอยู่ซึ่งสุดท้ายนะต่อหลังก็มักจะแบบว่าประพฤติดีปฏิบัติดีจนได้ บางชาติซึ่งแม้ว่าจะน้อยชาติหน่อยตามหลักฐานนะแต่ก็ยังมีให้เห็นซึ่งเนี่ยจะเห็นเลยว่าอยู่ในสังคมอยู่ในโลกโลกีเนี่ยบางทีเจอคนต้านเจอคนนี้โอ้โหเจอคนโกหกเจอคนขี้โกรธเจอคนปิ้นป้อนเราเจอคนที่บางทีอื้อหือร้ายยางเลยแต่เราไม่ได้ไปชิงชงังไม่ได้ไปโกรธเกลียดนะไม่ได้ไปแค้นเคืองอะไรเา้า เนี่ยเราดูแลจิตเรารักษาจิตของเรานะโกรธเราก็พยายามไม่ให้มันมีพยาบาทหรือว่าจะไปรักไปผูกพันใครที่จะทําให้เราเนี่ต้องโอ้โหทุกไปอีกนะชาตินี้ก็ทุกอิกชาหน้าก็ทุกอีกพอเราจับอย่างนี้ได้แล้วก็เอ้ยลดลงลดลงนะเรื่องการเรื่องราคะไปผูกพันไว้หนักก็ยิ่งทุกข์มากการนี้พระเจ้าท่านกรตัดเลยมีทุกข์มากแต่มีสุขนิดเดียว นนในพระไตรปิฎกเขาใช้ว่ากามเนี่ยมีทุกข์มากมีสุขน้อยแต่แต่มารู้สึกว่าคําว่าสุขน้อยเนี่ยมันฟังแล้วมันยังไม่ค่อยน้อยอะ่ะ <c oughs> ก็เลยต้องบอกว่ากามเนี่ยมีทุกข์มากแต่สุขนิดเดียว <c oughs> ถ้าใช้นิดเดียวมันรู้สึกว่าอือือมันชักเห็นภาพพจน์ได้ได้มากหน่อยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ <c oughs> อันนี้ก็คือนะบุคคลประเภทที่สองที่ว่ากายยังไม่ออกแต่จิตออกแล้ว ซึ่งสองประเภทนี้เราจะเห็นได้เลยว่าประเภทที่สองเนี่ยดีกว่าจริงนะรูปภายนอกดูแล้วเป็นคลราวาัตรสมมุตินะรูปาภายนอกที่ดูเป็นคลาวาต ด, ดูแล้วโดยสมมุติเนี่ยต่ํากว่าแต่อันแรกบุคคลแรกอะที่บอกว่าตายนี่ออกแล้วแต่จิตยังไม่ออกดูสมมุติภายนอกสูงกว่าอาจจะมาเป็นนักบวชเลยกนหัวแล้วก็นุ่งหม่มเรียบร้อยนั้นะนุ่งหม่มจีวรเนี่ยแหละ ใครๆก็ต้องเคารพใครๆก็ต้องกราบไหว้เพราะว่าถือว่าศีลสูงกว่าแต่โดยความเป็นจริงปรากฏว่าคาวาสอาจจะสูงกว่าก็ได้ถ้าจิตของคลาวาสออกแล้วแต่จิตของนักบวชยังไม่ออกเพราะนั้นรูปสมมุติภายนอกเอามาวัดไม่ได้วัดได้แค่สมมติ แต่ถ้าโดยปรมัตดหมายถึงว่าโดยพฤติกรรมโดยสภาวะมักผลกันจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าปรมัตดเพราะฉะนั้นเขาดูกันที่ว่าจิตของผู้นั้นว่าหลุดพ้นอะไรได้มากกว่ากันเราฉนผู้ที่สามารถหลุดพ้นกิเลสได้มากกว่าเนี่ยคือจิตออกออกได้แล้วถือว่าผู้นั้นโดยปรมัดนะถือว่าผู้นั้นสูงกว่าโดยธรรมไม่ถือว่าต่ํากว่า ถือว่าสูงกว่าเพราะฉะนั้นฆราวาสบางคนสมมุติว่ามาเจอกันอย่างเงี้ยฆราวาสบางคนเนี่ยปรากฏว่าเป็นสกิทาคามีาสมบูรณนะถือศีลได้ได้สูงจนกระทั่งสภาวะจิตเนี่ยอยู่ในฐานของสกิทาคามีเสร็จแล้วมาเจอนักบวชนักบวชเนี่ยปรากฏว่าบวชเข้ามาถึงกายออกแล้วแต่จิตบางทีกําลังอยู่เบื้อนต้นของโสดาบันอย่างเงี้ย มากกว่าโดยสมมุติสกิทาคามีต้องมากราบต้องมากราบสมมุติของของโสดาบันนี้ก็ต้องกราบแล้วผู้ที่เป็นสกิทาคามีจะรู้สมมุติด้วยว่าอา้าวก็นั้นท่านมีสมมุติท่านเป็นพระเพราะฉะนั้นแม้จะสูงกว่ายังไงภายในนะแม้จะสูงกว่ายังไงแต่ภายนอกเนี่ยสมมุติท่านสูงกว่าก็ต้องกราบท่าน ต้องกราบเพราะจะรู้สมมุติแม้ว่าโดยโดยพฤติกรรมจริงๆแล้วโ อ, อ้เขาเรียกอะไรคุณวุฒิโดยคุณวุฒิจริงๆสูงกว่าอันนี้อยู่ฐานสกิทาแล้วแต่พระรูมนั้นอาจจะอยู่ฐานแค่โสดาท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่ยิ่งมีปรมัติตย์เนี่ยสูงก็จะยิ่งรู้สมมุติได้ดี ส่วนผู้ที่ยิ่งมีประมัดน้อยนี่แหละจะยิ่งหลงสมมุตินเยอะหลงสมมุติเอามากๆเลยจนติดอยู่กับสมมุตินั่นแหละแล้วปรากฏว่าถ้ายิ่งใครมีประมัดสูงขึ้นสูงขึ้ น, ส, นสูงขึ้นเลยนะโดยจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวนะสมมุติยิ่งสําคัญน้อยลงเรื่อยๆโดยส่วนตัวอนมามัยังไม่พูดโดยส่วนรวมเพราะถ้าโดยส่วนรวมต้องยอมรับว่าสมมุติมีความสําคัญ ที่เขาเคยพูดกันถึงว่าอะไรนะถ้าใครเนี่ยบรรุธรรมเป็นพระาอารหันต์พูดง่ายถ้าเป็นพระอารหันต์แล้วเนี่ยต้องบวชถ้าไม่บวชภายในเจ็ดวันตาย <c oughs> เขาเคยพูดอย่างนี้แต่ไม่จริงหรอกขอโทจะมีอะไรมาทําให้ตายอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอ้าก็บรุแล้วเช่อไหมถ้าบรรุแล้วอ่ะไม่เจ็ดวันไม่บวชมันเห็นมีปัญหา ทำไมอ่ะอะไรจะมาทาให้ตายยงนึกนึกอะไรอ่ะจะมาทำให้ตา ย, ไ ม, าตายไม่มีทางหรอกยิ่งบรรลุแล้วจะไปกลัวอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ที่บอกว่าไม่บวชไม่ได้หรอกต้องบวชเพราะส่วนใหญ่เนี่ยบอกแล้วยิ่งบรรลุแล้วเนี่ยก็ยิ่งรู้ว่าสมมุติสำคัญเพราะคราวนี้ผู้บรรลุแล้วโดยส่วนตัวไม่สำคัญแล้วนะจริงๆเนี่ยไม่ต้องนุ่งผม่มจีวรหรือว่าอะไรต่ออะไรก็ได้ ผู้ที่บรรลุแล้วท่านไม่มีปัญหาอะไรแล้วท่านจบของท่านแล้วจะเป็นฆราวาสหรือจะเป็นพระไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรนี่แต่เพราะยิ่งบอกแล้วยิ่งปฏิบัติสูงขึ้นสูงขึ้นจะยิ่งรู้สมมุติมากขึ้นเมื่อยิ่งรู้สมมุติเนี่ยคราวนี้มันเป็นเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องที่จะเกื้อกูลเป็นเรื่องที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นก็เลยบวช ทำให้มันลงลงตัวลงร่องลงช่องซะถ้าใครเคยฟังประวัติพ่อท่านมานั้นะไม่ต้องพ่อท่านก็ไดนะ้บางทีมีเหมือนกันคนอื่นๆที่ที่คล้ายๆทำนองเนี่ยจะมีเหมือนกันที่เหมือนอย่างกับว่ า, าบรรุแล้วหรือว่าสูงแล้วเนี่ยแล้วไม่ไม่ให้ความสำคัญของสมุิภายนอกเนี่ยมีแต่เมื่อพอมาคิดว่าเอา้าเราสบายแล้วอะ อ่นนี้เราก็อยากให้คนอื่นเนี่ยเขาได้ดิบได้ดีหรือเขาได้ได้เห็นความดีอย่างนี้บ้างเพราะนั้นรูปสมมุติจะมาทันทีเลยเพราะอะไรเพราะคนที่ยิ่งไม่รู้บอกแล้วคนที่ยิ่งต่ำลงมาเนี่ยเขายิ่งยึดสมมุติมากยิ่งต่ำมากเท่าไหร่ยิ่งต่ำมากเท่าไหร่ ก, หรก็ยิ่งยึดสมมติมากเท่านั้นนี่เพราะมืยึดสมมติมากเนี่ยก็เลยพูดง่ายว่าสมมติภายนอกเนี่ยเป็นเรื่องเอือ้อ เอื้อให้กับคนที่ยังยึดสมมุติเนี่ยมากๆเนี่ยให้เพราะว่าจะช่วยทําให้เขาศรัท ธ, ธาจะช่วยทําให้เขาเชื่อมั่นอ่าจะช่วยทําให้เขาเชื่อถือเชื่อฟังต่างๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่พอพอคิดว่าจะเอื้อจะช่วยเหลือคนอื่นแล้วเนี่ยก็เลยต้องมีสมมุติออกมาที่ให้คนส่วนใหญ่เนี่ยยอมรับได้ เมื่อคนส่วนใหญ่ยอมรับได้เขาก็มีศรัทธาได้มากแล้วเขาก็สามารถที่จะเชื่อแล้วเอามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมากขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยแต่ก่อนพ่อท่านก็เหมือนกันแนหะบางทีคนเขาฟัง oh, โอ้โหเทพดีเทดีแต่บางทีเขาก็ว่าบา ah บางทีเขาก็ว่าเอ้ยเพี้ยนบอกอะไรอย่างนี้เหรอบรรลุคนบรบรลุจะเป็นอย่างนี้เหรออ้าวจริงๆ ถ้าใครปฏิบัติทำมาไม่ไม่เข้าใจพวกนี้มากพอเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าอย่างเช่นคนที่ยั บ, บรลู้รมได้สูงๆนะ้ายิงสูงเท่าไหร่เนี่ยจนไปเป็นพระอาหารหันต์ก็ตามโอ้โหจะต้องเป็นลักษณะนั้นจะต้องเป็นลักษณะนี้คือความเชื่อความปากหัวมาของคนเนี่ยจะจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นไปตามที่ตัวเองนึกเอาเองนะคิดเอาเองว่าผู้ที่สูงแล้วเอาอย่างเช่นจะต้องเดินสำรวม จะต้องพูดอะไรนะช้าๆหน่อยอแล้วจะต้องสุภาพพูดเสียงดังหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้อันนั้นเป็นความคิดของตัวเองไม่ใช่ความคิดจริงของผู้ที่จะบรรลุจริงหรอกแล้วก็จะไปเปรียบโดยที่อะไรอะ่ะคิดว่าอะไรที่ที่ปกติที่เราสอนสอนกันน่บอกว่าอย่างงี้ดีนะอย่างนี้ดีนะอย่างนี้ดีนะคือจะเอาอย่างเงี้ยไป ไปวัดหรือว่าไปรวมเอาไว้หมดอะ่ะกับคนที่คิดว่าสูงแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ยึดเลยคนนี้ยึดว่าคนที่สูงจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกับมีคนที่เข้าใจผิดเนี่ยที่คิดว่าใครเป็นพระอารหันต์ได้เนี่ยต้องมีฤทธิ์ที่จะเหาะได้มีฤทธิ์ทางอิทธิฤทธิ์เนี่ยจะต้องมีฤทธิ์ทางอิทธิฤทธิ์อ๋ออันนี้คนเชื่อกันมาเยอะเลยซึ่งจริงๆไม่เกี่ยวเลย พระเจ้าท่านก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวไม่ต้องมีฤทธิ์อย่างนั้นเลยก็ได้พระอาหารหันต์เดินตอกตอ ก, ตอกเนี่ยจะไปไหนทีก็เดินไปตอกตอกตอกเหาะไปไม่ได้นั่นแหละแต่คนไม่เชื่อเพราะว่าคนเนี่ยฝังหัวมาพอสมควรยิ่งไปอ่านพระไตรปิฎกโอ้โหพระอาหารหันต์นี่ต้องมีฤทธิ์อย่างนั้นต้องมีฤทธิ์อย่างนี้แล้วขานี้ก็ปากเลยทั้งทั้ที่ ก็ในพระไตยปิฎกกันแหละผู้เจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระอรหันต์มีทั้งหลายแบบแนะ่นะแบบที่ไม่ต้องไปมีฤทธิ์อย่างนั้นก็ได้เพียงแค่สมมติว่าลดละกิเลสได้เนี่ยจิตออกได้ทําจิตจนกระทั่งสามารถบรรลุได้แล้วแม้กายยังเป็นคละวาดอยู่นี่ก็เป็นพระอรหันต์ได้ไม่ต้องเดินอะไรนะ เดินบนน้ำดำดินบินเหมือนนกแม้ทำอย่างนั้นไม่ได้ก็เถอะแต่นี่แหละอรหันต์ก็เป็นได้เพราะอันเนี้ยนะถ้าถ้าพวกเราศึกษาเรียนรู้เข้าใจอาตมาบอกได้เลยนะอะไรอีกหลายอย่างที่บางทีเราเนี่ยคิดเอาไว้เนี่ยแล้วเราคิดว่ามันถูกเนี่ยแต่หลายอย่างเลยที่เรายังเข้าใจผิดเหมือนกับอาตมาเคยยึด พ, พูดเรื่องหนึ่งก็ได้เคยยึดมากเลยว่าผู้ที่มีศีลสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วเนี่ยจะต้องเข้มขึิมต้องเข้มขึิมจะต้องสำรวมแล้วก็เวลาจะพูดเวลาจะเทศเวลาแสดงธรรมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องมีลีลาอาการที่ดูแล้วสุภาพดูแล้วก็สุขุมหลอบขอบอะไรอย่างเงี้ยนะคือคือไม่ ไม่ดูแล้วเหมือนลักษณะเหมือนกับชาวบ้านพูดกันธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะเออคือคือคื อ, คอติดมาตั้งนานเน่ยเพราะว่าบางทีไปอ่านพระไตรปิฎกบางสูตรด้วยบางสูตรเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัส อ, อย่างเช่นถ้าสภาพลักษณะลีลาไม่ดี อ, อย่างเช่นเหมือนกับไปเต้นเต้นแรงเต้นกาแปอะไรอย่างนี้ บอกโอ้อยังงี้นี่เหมือนคนบ้าพระเจ้าท่านจะว่าเลยนะบอกโอ้ยลีลาางี้ไม่ใช่ลีล า, างี้เหมือนคนบ้าหรือว่าถ้ามาหัวเราะมาอะไรเงี้ยท่านก็ว่าเอ้ยถ้าลีลายางี้เด็กมีมาเคยเห็นจดหมายที่บางคนเนี่ยเขียนมาแล้วก็เขาเขาดูหนังสือสารส่งเสร็จแล้วก็บอกเนี่ยเนี่เนี่ ย, ยพระยิ้มอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยไม่สํารวม ใช้ไม่ได้ก็เห็นพระยิ้มอ่ะโดยเฉพาะบางทีเราก็ลงพ่อท่านพ่อท่านหลังๆนี้บางทีท่านก็ยิ้มแย้มมืะนะอะไรต่ออะไรเน่ดูเบิกบานดูแจ่มใสแต่เนี่ยเขาบอกว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่สํารวมนั่นน่ะเนี่ยอาตมา ร, รู้เลยว่านี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนอาตมาแต่ก่อนเนี่ยอาตมาก็คิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะโอ้อย่างนี้ไม่สํารวมอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้อย่างนี้แสดงว่ายังมีกิเลสอยู่ นะยิ้มยามแจ่าใสแบบนี้ใช้ไม่ได้คิดจริงๆนะแต่ก่อนเพราะว่ามันไม่รู้มันไม่เข้าใจจนเนี่ยปฏิบัติทำมากขึ้นมากขึ้นเราเข้าใจมากขึ้นนะเราเรียนรู้อะไรต่ออะไรเนี่ยมากขึ้นถึงได้รู้ว่าโอ้ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกยังเป็นความเข้าใจผิดของเราไม่อย่างนั้นนะใครเป็นคือเขาเข้าใจว่าถ้าเป็นพระอาหันแล้วนะพูดง่ายคือไม่มีกิเลสใช่ไหมเมื่อไม่มกิเลสเนี่ยยิ้มไม่ได้ มันต้องเฉยๆอัตมาก็ว่าโอ้โหอย่างงี้ถ้าใครเป็นพระอรหันนี่หน้าคนเหมือนแผ่นกระดานนะคงจะเหมือนแผ่นไม้กระดานเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะแล้วอาจจะเดินไปไหนก็คงจะเดินตัวแข็งๆหน่อยคือลีลาการชักจะไม่เหมือนมนุษย์ปนาเขาเอา้าวแล้วสมัยก่อนก็นึกอย่างนั้นจริงๆอัตมายังจําได้ว่าพอมาอยู่ที่วัดเนี่ย บางครั้งยังมีถือสาเลยว่าเอ๊นักบวชรูปนี้ทำไมท่านลีลาอย่างนี้อ่ะทำไมอาการอย่างนี้อ่ะถือสาเลยนะพอรู้สึกโอ๊ยอย่างนี้นี่ท่านยังใช้ไม่ได้อย่างนี้นี่ท่านยังยังแย่อยู่คือมันจะดูหมิ่นไปเลย ท, ทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยเราเรายังไม่เข้าใจนะการที่จะยิ้มแย้มบ้างการที่ดูแจ่มใสล่าเริงอะไรต่ออะไรพวกนี้นี่ ไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องเป็นกิเลส